องห้าแหง่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศิลวิบัติในอธิศินสอเป็นผู้ไม่มีอาชราวิบัติในอาชาจารสามเป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก5เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าเหล่านี้แล เพิ่ง อ, อยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยบ่งเล็บหก